มีใครจะเน่บ้างอ๋มีใครจะเน่บ <mushrooms> ้างวันนี้สวดพาสวดมันเยอะนะเกือบชั่วโมงสี0พันนาทีปกติเราไม่ค่อยได้สวดหรอกเราสวดซ้ำๆแต่ว่าไอ้นี้ต้องสวดพาสวดสลับทุกวัน มัติปฐานเพราะในนี้มันเป็นแนวปฏิบัติอย่าให้พอเราพยายามทำความเข้าใจตามนี้มัติปฐานเนี่ยมันเป็นวิธีปฏิบัติทางตรง สัมปชัญญะอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผ ล, มมผลไม่ใช่คัดคาดเ ด, ดาเดาอย่างหลอมหลอแรงแรงคาดเนาอย่างเห็นตัวเป็นตัวเป็นต้ น, ตนจากนั้นแล้วก็ใส่ยกเข้าไปเชิญสติเชิญวิริยะอุตสาหะความอดความทน เมืย่างที่บที่เราสวมื่อก้บทสวดบทมัจคือทางดําเนินคือข้อปฏิบัติทุกสมุทยัยนิโรธมัจมัจในคือข้อปฏิบัติเป็นทางเดินทางเดินของใจทางดําเนินคือข้อปฏิบัติมัจมีองค์ประกอบแปดอย่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร สมมากรรมโตสมมาอาชีโอสมมาวายามโอสมมาสติสมมาส ม, มาธินี่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้รวมทั้งส ม, มาธิรวมทั้งปัญญารวมทั้งสมถะรวมทั้งวิปัสสนาอยในนี้นทั้งหมดึติดใจเข้าใจ ทางเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความหลุดเพื่อความฟุ้งเพื่อรู้เท่าทันตั้หาเราเห็นข้อแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นชอบเห็นสีแดงว่าเป็นสีแดงเห็นสีดำว่าเป็นสีดำเห็นต้นไม้ว่าเป็นต้นไม้เห็นภูเขาว่าเป็นภูเขา แต่เห็นในใจนี่มันเห็นตามหลักอริยสัจเห็นชอบเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเห็นอนี้จะเห็นทุกขังเห็นอนัตตาสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นชอบชี้ไปให้ตรงที่สุดคำว่าเห็นชอบ คือเห็นตามหลักอริยสัจเห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกเห็นนิรอดคือความดับทุกเห็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุก mm hmm. เหมือนอย่างที่พระอาจารย์รรมสดงในหลักธรรมะจากก่าพระพุทธนสุท่านเห็นกิริยาการของสมไทย เห็นกิริย า, าการของอริยสัจทั้งสี่นี่แหละแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันมีอาการสามทุกก็มีอาการสามสมุทัยก็มีอาการสามมีโรษก็มีอาการสามมรรคก็มีอาการสามพระองค์รู้เห็นแจ่มแจ้งพระองค์จึงกล้า บ, บอกปัญจวัคคีย์ว่าพระองค์ในมนุษย์ทำแล้วตรัสรู้แล้ว ยานรู้ว่นี่อ๋อนี่คือทุกข์เห็นร่างกายคือตัวตนเราเป็นทุกข์มียานมียานเห็นอีกว่าทุกข์นี่ควรกําหนดรู้มียานบอกอีกว่าทุกข์ควรกาหนดรู้นี่เรากําหนดรู้แล้วจบหมดแล้วมันมียานอย่างบอกทุกรยะทุกควรกําหนดรู้ไม่ให้ทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์ให้ยึด ทุก็คือกายของเราใจของเราทุกทุกควรกาหนดรู้หลวตาท่้สนสอนให้เราเข้าใจง่ายๆทุกควรกาหนดรู้แล้วก็ย้อนไปดูสมุดไทยสมุทไทยอยู่ที่ใจกำหนดดูกายแล้วก็ย้อนมาดูใจกำหนดดูใจแล้วก็ย้อนมาดูกายย้อนมาดูเพื่ออะไร ผู้จะได้เจอหน้าตาของเจ้าตันหา เ, นเจ้าตันหามันสวมรอยมาเพราะว่านั่นเป็นเป็นตัวเป็นตนของมันมันแอบมายึดเป็นสมบัติของมันกายนี่เป็นสมบัติของมันของอะไรของตันหานยร่างกายของเราจิตใจของเราเป็นสมบัติของตันหาตันหามันปนอยู่ในผู้รู้มันปนมันเปื้อน มันเครือบมันแฝงมากับผู้รู้ท่านที่ให้ําลังดูทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุทัยกันหมดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุทัยในภาพปฏิบัติเรานั่งทําอยู่อย่างนี้ยกันหมกย้อนไปกันหมดย้อนมากันหมดย้อนกลับไปกันหมดย้อนกลับมาเราจะเห็นความเปลกปล่าอัศจรรในหัวใจของเราเราจะเห็นความโง่ของเราเอยางยึดทำไมท่านไม่ยึดท่านให้กำลังรู้ มันรู้เฉยๆพรองมียานบอกทุกอันนี้คือทุกคำว่าทุกเนี่ยพวกเรารู้จักคำว่าทุกรู้จักในฐานะที่ว่ามันเป็นทุกขเวทนาเท่านั้นที่พวกเรารู้จักทุกปวดหัวทุกปวดหัวทุกตัวร้อนทุกหิวทุกกระหายทุกถูกทุกถูกตีถูกยิงถูกฆ่าเรารู้แต่ทุกอย่างนี้แหละแต่ทุกใน อริยสัจ ท, ที่ท่าบอกว่าทุกขังทุกขังทุกขังคือสภาพที่มันไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปคือลักษณะของสังขารลักษณะของไตรลักษณ์นั่นแหละอันนี้เป็นความทุกข์ในหลักของอริยสัจ ท, ทุกของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปทอนอยู่ไม่ได้เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจัง ทั้งทุกขงังทั้งอนิจจังเป็นภาวะของหลักของธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนี้มันไม่มีเป็นอื่นมีอย่างเดียวสิ่งเดียวทุกคนอรูปร่างกลางตัวของไครของเราทุกคนตกอยู่ในภาวะอันเดียวกันวัตถุอยู่รอบข้างตัวเราโตอยู่ในภาวะอันเดียวกันคืออยู่เท่าเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปท่านให้ดูให้เห็นให้เห็นเพื่อให้เกิดให้หลับไม่ใหเรานิ่งนอนใจไม่ให้เราตายใจไม่ให้เรายึด ยึดไม่ได้เพราะมันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องพังมันจะต้องเปลี่ยนไปแล้วมันจะต้องพังแล้วยึดอะไรได้มันยึดไม่ได้อันนี้คือทุกนะมีอาการสามทุกรู้ว่าเอ อ, อ น, นี่คือทุกทุกนี่คนกํนาหนดรู้ทุกคนกํนาหนดรู้นะ่ะรู้แล้วกําหนดรู้แล้วสมุทัย เกิดญาณรู้ว่าโอนี่สมุทยัยไม่มีใครสอนนะอุทกดาบทลาราดาบทไม่เคยสอนพระองค์โอนี่สมุทยัยมันมีญาณอย่างรู้ในขณะที่ปฏิบัติธรรมและจิตหมุนไปเนี่ยนี่คือสมุทยัยญาณบอกอีกสมุทัยควรละแนะ่ญาณบอกนะสมุทัยของควรละสมุทยัยคือตันหากรมตันหาพระวะตันหาวิภวะตันหา จับอย่างเดียวก็คือตันหาความอยากดูเหมือนล่องลอยดูเหมือนลอยเราดูไปที่ใจของเราเราเห็นตันหาคือความอยากทุกครั้งที่ใจของเรากระดุกกระดิกพลิกแปลงทํานู่นทํานี้เนี่ยเป็นเพลงของมันทั้งนั้นเพลงของเจ้าตันหาทั้งนั้นสมุทัยควรควรละละได้แล้ว ละได้แล้วสมุติทัยที่ว่าควรละเนี่ยละได้แล้แลวมียันรู้อีกนิโรธโอ้นี่นิโรธมันละได้แล้วมันก็นดับดับโอ้นีน่นิโรธนี่เราควรทําให้แจ้งทําให้แจ้งแล้วมรควรเจริญอันนี้เป็นมรข้อปฏิบัติแล้วนเนี่ยคือ ม, มรมรคนเจริญ เจริญได้แล้วรอบสามอาการสิบสองอริยสัจสีในรอบสามรวมเป็นอาการสิบสองพรงรู้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนบอกปัญจวัคคีย์ว่าเราได้รู้ธรรมแล้วเ ร, เราได้ตัดสรู้์ธรรมแล้วเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราจะแสดงทำไม้ฟัง เพราะปัญจวัคคีย์เขาเบื่อพระองค์ว่าพราะองค์ในคลายความเพียรนด้จใจพระองค์อดข้าวให้ตายอ่ะแต่ก่อนจะตายต้องได้บรรลุเขาว่านะเขาหวังนะะแต่นั่นเป็นอัจฉกิมัทธนโยโญไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นให้เห็นความโงอกความฉลาดให้เห็นอุบายวิธีของกิเลสไม่เห็นตัวตนของกิเลสที่จะละที่จะวางได้ไม่เห็นไม่พิจรารณา พระองค์เห็นว่าอ้เราทรมาร่างกายจนร่างกายจะทนไม่ไหวอยู่แล้วหรือเท่ากับเส้นได้เส้นเดียวจะขาดแล้วไม่ขาดแล้ชีวิตตินทรีย์เนี่ยถ้าเราจะฝืนไปอย่างนี้ไปเราก็ตายทิ้งเฉยๆเราไม่ได้อะไรแล้วดูไปในใจเนี่ยอยู่กับปุถุกันดาบทลาระดาบทก็บอกว่าจบแล้วจบแล้วเธอเรียนจบแล้วทุกปปัสมาบัตรอรูปปัสมาบัตรแต่ย้อนมาดูที่ใจของพระองค์เนี่ยกองทุกเต็มแปรอ ย, อยู่นั่นะ ยังไม่มีความทุกข์เนี่ยบกเบาไปเลยไม่ไม่เบาไปเพราะฉะนั้นดำรีแล้วก็ออกมาบรเพนินบรรพินไปบรรพ็นมาก็เข้าหลักเหตุกับผลอริยสัจ ท, ทั้งสี่ก็คือสรุปแล้วคือเหตุกับผลเท่านั้นเองบนโลกนี้ให้เราจำให้แม่นว่ามีเหตุกับผลด้วยเหตุที่เราไม่เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลเรากไปคาดไปเราเราก็าไปเดาอย่างนู้นไปสุ่มอย่างนี้ ไปหมายอย่างนั้นไปหมายอย่างนี้ไปดิบวิดีวิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเข้าไปแท้ที่จริงทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุมีผลเท่านั้นโอ้ควันควันควันควันแสดงว่าต้องมีไฟต้องต้องมีไฟเห็นไหมวันนี้เห็นไฟไหมควันควันควันขมวงควันขมงเลยรนะแสดงว่าต้องมีไฟ เอันนี้คือใช้ตัดใช้หลักของเขาตักตัดคาดเดาคาดเดาเหตุผลในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเราคาดลุ้นเราคาดเราเดาในใจของเราก็เช่นเดียวกันเราคาดเราเดาตราบใดที่ยังไม่เห็นแจ่มแจ้งเราต้องคาดเราต้องเดาคาดไปเดาไปคาดไปเดาไปจากสัญญานั่นแหละมันกลายเป็นปัญญาไปเห็นจริง หัดคิดหัดพิจารณาหัดค้นคว้าเนี่ยเขายะหัดคาดคาดเดาเดาโอ้ร่างกายเราต้องแก่โอ้ร่างกายเราต้องเจ็บโอ้ร่างกายเราเปลี่ยนโอ้นี่คือลักษณะของความเปลี่ยนของมันมันทนอยู่ไม่ได้อ๋อเมียนนี้เป็นเหตุเมียนี้เป็นปัจจัยหัดคาดหัดเดาจนมันเกิดมันจนมันเกิดความรู้แวบเดียวขึ้นมารู้ จิตปลงใจเชื่อเต็มร้อยโอ้ข้อที่จริงคืออนนี้เป็นนี่นี่เป็นหลักสัจธรรมเพราะฉะนั้ น, นผู้เข้าถึงสัจธรรมผู้เข้าถึงธรรมคือผู้เข้าไปรู้ไปเห็นสัจธรรมด้วยตัวของตัวเราเองไม่ต้องมีใครบอกอต่อให้มีคนมาจ้างให้เราปฏิเสธเราก็ปฏิเสธไม่ลงเพราะเราไปเห็นคือเชื่อมั่นเต็มร้อย โสดาบันจึงไม่ตนกนะครับโสดาบันนี่พ้นจากอบายไม่ตกนรกเพราะพระโสดาบันไม่มีโอกาสที่จะบิดที่จะเบี้ยวแล้วโสดาบันไม่มีโอกาสที่จะบิดจะเบี้ยวเอาไปฆ่าขอให้เขาฆ่าเถอะไม่ยอมทําผิดฆ่ากัตายทิ้งไปเฉยทิ้งตายแต่ร่างกายแต่ใจเราไม่ตายอะโสดาบัน พูดถึงศรัทธาให้จนหมดตัวให้จนไม่มีอะไรจะกินอนะ่ะเหลือจานหนึ่งกำลังจะเข้าปากอยู่นะ่ะมีคนเดินมายังไม่ได้ทานเนี่ยยกให้เขาเฉยเลยเห็นอา น, นิสงส์ในการยกให้เขาเนี่ยเขาได้กินน่มากกว่าเข้าปากของตัวเองเชื่อปักใจเต็มร้อยปโสดาบันเข้าไปรู้เข้าไปเห็นหลักของสัจจะนี่แหละนี่แหละแสดงแก่ปัญจวคี ทำมาจากกับพุทธนซูลเทศการแรกของพุทธเจ้าเทศการแรกโ oh, อุตสาหบรรลุอุตสา์ตรสรู้อย่างยากลาบากเหลือเกินมาเทศสอนการแรกได้ดวงตาเห็นธรรมแค่หนึ่งอง mm hmm. ได้ดวงตาเห็นธรรมหนึ่งองสององสามอง์ต้องเกา่าต้องกล่อมต้องเก่าไปอีกหลายวัน ได้วันละองวันละอง์วันละองวันละองสี่วันห้าวัานพอวั น, น, น, น, น, น, นที่หกก็พูดถึงอนัตตลกคณะสูตรแสดงธรรมอีกเป็นระดับธรรมชั้นที่สูงละเอียดเข้าไปอีกอนัตตลกคณะสูตรอันนีจังทุกขังอนัตตายึดไม่ได้ทุกอย่างเมื่อเรายึดไม่ได้เราหมายเป็นไปตามใจฝังของเราไม่ได้เราควรจะเรียกว่าเป็นราวไหมเราควรจะถือว่าเป็นราวไหม ค ว, ควรถือว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราใหม่ไม่ควรถือเป็นโยค่าปล่อยในขณะเดียวกันก็ปล่อยรู้เห็นนะคัสัจธรรว่ารู้ว่าเห็นก็ปล่อยสัจธรรว่ารู้ว่าเห็นก็ปล่อยอนัตตาอนัตตาไม่ใช่อัตตาอนัตตารับทราบไม่ยึดมาแล้วก็ปล่อย สิ่งที่เราทรา บ, บนั้นมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากผู้รู้อยู่นอกเหนือจากสติของเราจากปัญญาของเรามันเป็นคนละอันสิ่งที่รู้ถูกสติถูกปัญญาเป็นผู้รู้รู้เห็นแล้วก็ว่างรู้เห็นแล้วก็วางรู้เห็นแล้วก็วางเป็นอนัตตาศา ส, สนาของพระพุทธเจ้าประโยชน์บททัตถังกลางอัตตาอัตตา แต่อินเดียยุคนั้นสมัยนั้นมีแต่ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ก็สอนให้ยึดถืออัตาอตาอัตาอตาอัตตาอตมันแม้แต่รู ป, ปรสมบัติอารมณ์สมบัติก็คืออัตตายึดเอาถือเอาปล่อยไม่ได้ต้องการเสพสุขเสพสุขกับสมมาบัติเหล่านั้น เอ๊ ه, ถ้าเราปล่อยไปเราก็เสียดายปล่อยไปพูติเจ้ามันโอ้ยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ทำทั้งหลายทั้งปวง ย, ยึดไม่ได้ทั้งนั้นปล่อยเพราะพระองค์ปล่อ ย, พอพอออยมันก็เข้าถึงบรมสุขประมังสุ ข, ขังประมังสุ ข, ขังเนี่ยที่เราพูดก็พูดถึงมรรคมยงแปดเมื่อกี้เนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจามัสมารกรมมันโตสัมมาอาชีโบ สามนี้สามอันหลังเนี่ยเป็นเรื่องของของของศีลศีลก็เป็นการละกิเลสอย่างหนึ่งศีลไม่ใช่ถือเฉยๆกิเลสไม่ข่านะไม่ใช่นะเราเราถือศีลได้เนี่ยกิเลสถูกระ ง, งับไปด้วยการที่เราถือศีลฉันอยากฆ่าสัตว์ไม่ไม่ฆ่าถือศีลอยากลักไม่ลักอยากผิดลูกผิดเมียเขาดยอำนาจของกา马拉ฆ่านะไม่ผิด ไม่กล้าผิดไม่กลัไม่กล้าผิดกลัวผิดศีลอยากพูดเท็จพูดหยาบไม่กล้าพูดอยากกินเหล้าไม่กินศีลเน่ยการมีศีลนมั น, น, ม, น, นมันก็เป็นการละกิเลสไปแล้วเนี่ยปิดช่องปิดรูที่กิเลสมันแทรกเข้าไปให้เกิดให้กออให้กอกความหัวใจของเราศีลเน่ะสําคัญนะ พอเราพูดถึงการลากิเลสเอ่ยใดแต่เลยเราอย่าไปลืมสินคว้าสินมาติดแนบอยู่กับหัวใจของเราเห็นคุณค่าของสินตั้งใจรักษาสินเอาอเป็นเอาอตายกับสินยึดมั่นกับสินข้อสุดท้ายสินสมาธิปัญญา ข้อสุท้ายเป็นอของสมาธิสติสัมปชัญญะอาตปะรวมกันเป็นสมาธิสมาธินี่ท่าพูดถึงสมาธิเมื่อกี้เนี่ยท่าพูดถึงสมาธิฌานที่1ที่2ที่3าที่4พูดถึงความสงบของจิตนี่คือสมาธิศินสมาธิปัญญาเวลาเวลาเรา เ, าเริ่มปฏิบัติ เราเรียงลำดับไปจากสินสมาธิปัญญาแต่ว่าเวลาถือปฏิบัติจริงๆจะต้องมีปัญญานาก่อนคนที่จะตั้งใจรักษาสินได้จะต้องเกิดปัญญาในหัวใจเห็นชอบเมื่อเห็นชอบแล้วก็ดารีชอบดำรีไม่เบียดเบียนสัตว์ดำรีไม่พยาบาทปองร้ายดำรีไม่เบียดเบียน แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือดําริออกจากกามกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่มันมีอยู่ในหัวใจของเรานึกคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องกามของของอยู่ของใช้ของสอยของกินของอะไรทั้งหมดอั่นแหลเป็นเรื่องของกามวัตถุกามยอดของกามกามราคะนั่นคือยอดของกาม ตัวนี้แหละมันเป็นตัวมัดจิตมัดใจของเราให้ค้างตกค้างอยู่ในโลกคือยอดของกามการนํารีออกจากกามการนํารีออกจากกามว่าเห็นความวุ่นวายของรูปของเสียงของกลิ่นของรสที่มันแทรกเข้ามาในหัวใจของเราปัญหาสรารพัดกับมันเหล่านั้นอยากสงบเลยเป็นเหตุสอให้เราเจริญสมาธิ ความดออกจากกามปั๊บเป็นให้เราเจริญสมาธิเพราะจิตเราสงบจิตมันออกจากกามออกได้ไหมออกจากกามออกได้ใจสงบนั่นนะคือใจออกจากกามใจไม่สงบคือใจยังชุ่มแปรไปด้วยกามคิดถึงแต่เรื่องกามกรรมคุณนั่นแหละกรรมนพื้นไปยนถึงกรรมราคานั่นแหละนั่นหะเรื่องของกามทั้งนั้น่ะ แปลว่าความใคร่ความภําหนักความยินดีความชอบใจความพอใจก็ฉะนั้นสมาธิจึงเป็นเรื่องสําคัญพอเราสงบปับ๊มนีจิตของเราออกจากกามถ้าจิตยังไม่ออกจากกามเราไปถูไปถ่ายให้ดีเกินเลยนั่นไปเป็นไปยากมันเป็นไปยากท่านบอกว่าเหมือนเอาไห้สดชุ่มด้วยยางและยังถูกแช่อยู่ในน้าอีก ไปถูกันให้เกิดไฟมันเกิดไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันเหนืยเปล่าถ้าว่ามันเหนื่อยเปล่าเรามาพิจารณาข้อนี้ทําให้เราเห็นความสําคัญของความสงบความสงบทิ้งไม่ได้สมาสมมาสมาธิสมมาสมาธิประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะ ประกอบไปด้วยอาตัปะคือการประครับประครองใใหัวใจของเราหัวใจได้รับได้รับความสงบสติการตั้งใจเจริญสติอย่างเต็มที่ก็คือเจริญสติตามหลักมหาสตินี้เองเอาสติมากำกับที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมกำกั บ, ก, บกับกิริยาการอย่างใดอย่างหนึ่งทะลุถึงกันหมดไม่ใช่ต้องเจริญให้ครบต้องเจริญให้หมด เจริญอย่างเดียวเจริญข้อใดก็ตามที่มันถูกกับจริตนิสัยของเราเร า, เ, ราเจริญ น, นัา้านั้นกิเลสตัณหามันแทรกเข้ามาที่จิตของเราไม่ได้เพราะจิตถูกสติปลุกให้ตื่นรูมองโมหะครอบงําไม่ได้จิตของเรามันถูกสติปลุกให้ตื่นรูโมหะครอบงําไม่ได้เราลองตั้งสติอยู่เดี๋ยวนี้ให้สติของเรามันโรูอยู่เฉพาะหน้าเนี่ย กิเลสไม่กล้าโผล่เข้ามาลองให้มันเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลือนลังลังคิดพกหน้าพกหลังคิดไปรูกเดี๋ยเดี๋ยวมันแทะเข้ามาแล้วเพราะมันได้ช่องมันได้ช่องมันมีช่องอ่ามันมีช่องมันแทกเข้ามาแล้วมันจับแล้วเป็นตัวเป็นตนเป็นเราแล้วเป็นอยากได้เป็นอยากมันได้เป็นอยากมีแหละมันแทกเข้ามาแล้วแต่ถ้าเราเอาสติมากำกับจิต ให้ผู้รู้ของเราตื่นรูอยู่น่มันแทรกเข้ามาไม่ได้เพราะความชัดในจิตของเรามันชัดได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ชัดเต็มร้อยครั้งละหนึ่งอารมณ์ชัดหลายอารมณ์ฟังหลายอารมณ์ชัดไม่ได้เสัยอย่างเอายกตัวอย่างเรา เครื่องเอ็มพีสมสมสตัวนะมาตั้งเรียงข้างนั้แล้วเปิดอันนี้ก็เปิดอันนี้ก็เปิดอันนี้ก็เปิดแต่เปิดคนละเรื่องลงฟังดูไดเรื่องสักสักอันไหมันไม่ชัดสักอันมันไม่ชัดสักอันเพราะฉะนั้นจิตของเราที่จะอยู่โรู้สว่างชัดจิตจะต้องอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวถ้าอยู่กับหลายอารมณ์ก็ยักย้ายจากอารมณ์นี้มาหาอารมณ์นี้อารมณ์นี้มาหาอารมณ์นี้แต่ต้องมีสติกกับ จออยู่นั่นตลอดเมื่อเราส่องไฟไม่ให้มันพลาดสายหูสายตาเข้าไปส่องเข้าไปแสดงว่าจิตเราต้องตื่นต้องรู้ต้องสว่างเราทราบอย่างนี้เราก็้มาฝึกซ้อมอยู่ตรงนี้ฝึกซ้อมให้จิตได้รับความสงบเอาความสงบมาพิจารณาเกิดปัญญาตามกระแสที่ท่านทรงแสดงไว้ในหลัก ส่วนบทนี้จึงเป็นบทสวดที่รวมมหาสติรวมมารวมรมรวมรวมสมถะรวมวิปัสสนาอยู่ในนี้หมดรวมสมาธิรวมปัญญาอยู่ในนี้หมดข้อปฏิบัติยุ้มยิ้มทุกอย่างทุกเรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนมีอยู่ในนี้หมดเรื่องป่าช้าการเน่าการเปื่อยการนุ่นการนี้อะไรอยู่ในนี้หมดเรื่องสมาธิอยู่ในนี้หมด